เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าบริษัทที่ตัวเองทำเนี่ยมันเจ๊งหรือว่าตัวเองตกงานกำลังจะตกงานก็ไม่มีความสุขเหมือนกันท่นคนเรเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้ได้เจอได้สัมผัสได้เสพนะสิ่งที่ อ, อ, รอร่อย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 พันผวนบ้านเมืองวุ่นวายเป็นถึงแม้กระทั่งเรื่องกรณีเล็กๆ เ, เช่นรถติดไอ้ทั้งหมดนี้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าใจเรานะไม่ไปผสมโลงด้วยหรือที่หรือจะพูดอีกอย่างนะคือใจเราเนี่ยเข้าไปเป็นตัวการเปเพราะมองไม่เห็นตรงนี้คนมักจะโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนนั้นคนนี้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 ก็โดนมะพร้าวอัดเข้าไปเต็มหน้าหรือเต็มตัวอย่างนี้จะโทษลิงเต็มที่ได้ไหมทําไมเราเห็นในเมื่อเราเห็นมะพร้าวมันพุ่งมาทําไมเราไม่หลบหรือว่าพอมะพร้าวพอหลบแล้วเนี่ยมะพร้าวตกลงบนพื้นหลายคนก็นทํำยังไงเก็บมะพร้าวคว่างลิงแทนที่จะเอามะพร้าวเนี่ยเก็บกลับบ้านไปเฉาะเอาเนื้อเอาหน้าไป คนส่วนใหญ่ทากับคำพูดคำด่าแบบนี้แหละกับกรณีแรกนะก็พื้นเขาด่ามาก็เอาหน้ารับเอาตัวกูรับมันะจเจ็บสิแทนที่จะหลบแทนเจียรเลี่ยงเจ็บไม่พอนะด่ากลับอีกนะแทนที่จะเอาคำพูดเขามาพิจรารณาเออมันมีประโยชน์หมเหมือนคนที่เหมือนคนฉลายก็จะเอามะพร้าวนี่นะแทนที่จะเคลื่องกลับก็เอาเก็บกลับบ้านไปเลยนะเพราะว่ามะพร้าวมันมีของดีอยู่ข้างใน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 หลายซิบซีบบางทีเป็นแผลเลยถ้ายังมีกลิ่นอยู่นะมันก็ยังถูถูจนเป็นแผลเว่อน่าสงสารณคำถามคือว่าที่ลิงเลือดไหลเนี่ยนะเป็นแผลเนี่ยเพราะอะไรหลายคนจะตอบเพราะกระปีจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นเพราะความเกียดกระปีต่างหา ก, กระปีไม่ทําให้ลิงเป็นแผลนะเพราะกระปีมันไม่ใช่กรดจะไปกัดเนื้อกัดนิ้วให้เป็นแผลได้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 อย่าฟังเพลงสนุกมะไม่เคยเ้วอยากเพลงเศร้าความเศร้ามันสั่งให้เราฟังเพลงแบบนี้เพื่อจะได้เศร้าต่อไปเวลาโกรธนะนะความกลัวไม่สั่งให้เราด่าเท่านั้นความกลัมันสั่งให้เราโกรธต่อไปมีเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยมีพระมาบอกว่าให้อภัยความโกรธบอกว่าอย่าให้อภัยพอถ้ามึงให้อภัยกูจะอยู่ไม่ได้นะความโกรธมันสั่งแล้วเราก็เชื่อมันนะ แล้วก็พยายามที่จะเจ็บติดจําเหตุการณ์ใอดีตยพยายามนึกอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่นึกความเศร้าไอ้ความโกรธมันจะหายไปความโกรธมันสั่งให้เรานึกถึงคนนั้นอยู่เรื่อยๆไอ้หมอ น, นั้นมันทําร้ายเราจริงๆผ่าไปนานแล้วนะบางคนโกรธมากเลยนะโกรธเพราะคนนั้นคนนี้หลานก็ถามเกิดขึ้นเมื่อไหร่โน่นสามสิบปีแล้ว สามิปีไม่หายโกรธเพราะอะไรเพราะเอาแต่คิดนึกถึงคนนั้นทำไมถึงคิดเพราะความโกรธมันสั่งให้คิดคิดทุกวันเลยลูกนี่ห่วงแม่แลแม่ผูกจิตพยาบาทคนคนหนึ่งเพราะว่าเคยช่วยแล้วถูกทรยศถูกเนรคุณพาไปสามสิบปีแล้วก็ยังไม่ไม่ลืมนึกถึงทีไรก็โปรด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 มันไปไกลๆอ้นี้แม่ไม่ได้สั่งนะความกลัวมันสั่งให้แม่พูดเพราะมันกลวว่าถ้าแม่ทำตามที่รู้แนะนำความกลวดมันก็จะอันตรธานไปมันทนไม่ได้ให้ความกลวดมันใช้เรานะมันใช้เราจริงๆแล้วเนี่ยองคลับพิทักความกลวนี่ไม่ใช่ใครเลยคือเรานั่นแหละมันไม่ใช่รวมทั้ององคลักพิทักความความ โกรธความเกลียดความเศร้าคือเรานั่ยแหละมันใช้เรามันใช้เราได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปมันดูใจมันเหมือนกับไวรัสนะไวรัสซอมันเข้าไปในเซลเราแล้วนะมันก็จะสั่งให้เซลลในร่างกายเราเนี่ยผลิตตัวไวรัสผลิตตัวมันซ้ําผลิตซ้ําตัวมันมากๆมากๆากมากมากจากหนึ่งตัวก็เป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านจนกระทั่งในเซลล์นี้มันเต็มไปด้วยไวรัสแล้วก็จะแตกระเบิดออกไป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 ความโกวดเกิดข <necessary. S 2> ึ้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งความหงุดหอีความเรียกเกิดขึ้นครั้งไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้เพราะไม่เคยดูใจไม่เคยรู้ใจเอาแต่เรียกร้อยคนนั้นคนนี้มารู้ใจเราเนี่กลับมามันดูรู้ตามดูรู้ใจเรานะแล้วถ้าความกรดเกิดขึ้นอีกเราจะฉลาดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ขั้งที่สองเราจะฉลาดกว่าเดิมเกิดคร้นขั้นที่สามเราจะฉลาดยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ทันมันเพราะเราเห็นมัน